ขอความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสุภสูตรในที่กรณิกายศีละขันธวัชมาถึงช่วงที่พระอนตน์กำลังแสดงพัฒนาการทางจิตที่ผ่านศีละขันธ์นั้นประเสริฐสมาธิขันธ์นั้นประเสริฐ ก็มาจบที่จตุติฌานจากนั้นสุภาพมานุก็กลาบเรียงถามถึงปัญญาขันอันประเสริฐที่ปุจจาร่งแสดงสันเสริญไว้เป็นอย่างไรธรนนท์ก็แสดงถึงสภาพจิตให้ทราบเสียก่อนว่า บุคคลที่ปฏิบัติเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสประศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้มีความไม่หวั่นไหวก็น้อมไปเพื่อยานัศนะคือความรู้ความเห็นในทางที่ถูกต้อง จากนั้นท่านก็เห็นถึงอัตภาพตัวตนของท่านที่รวมกันเป็นชีวิตว่ามีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่องค์ประกอบของความเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายกระดินน้ำลมไฟอากาศและก็วิญญาณเริ่มจากการไปนชนทีมาเรื่อยๆ จึงคลอดออกมาจากขันของมันดาแล้วก็อาศัยการเลี้ยงดูปลุกปลืออบรมพัฒนาการมาโดยลำดับแต่ในที่สุดมันก็จบลงที่ความแตกดับก็มองเห็นความจริงตามกฎของปฏิลักษณ์เกือที่จังทุกครั้งและอนตา ต, ตอนนี้ในแง่ของความเป็นจริงท่านเรียกว่าอานิจจตาทุกตาอนัตตาคือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาวนๆ ก, ก็อธิบายกรอบของอนิจจตาทุกตามาแล้วก็คือหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป สองเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะและขัดแยง้งกับสิ่งที่เข้าใจกันว่าเที่ยงซึกมันก็ไม่มีนะฮะกฤษดาษใดที่ยังเป็นสังขารอยู่นี่ที่ชื่อว่าเที่ยงมันไม่มีนิพนธ์นั้นเป็นวิสังขารนิพนานจึงเที่ยงได้แต่ว่าถ้ายังเป็นสังขารอยู่ก็เที่ยงไม่ได้แล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นี่ก็เรียกว่าลักษณะของอานิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็คือหนึ<ม>่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการแผดเผาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกมีความร้อร้อนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทุกขเวทนาการรู้สึกเป็นทุกข์กับการบริหารขันของเรามันมีความต่อเนื่องที่ชัดเจนโดาเฉพาะสิบอย่างนะฮะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายนี่นก็ยุง่งยุ่งกันทุกวันยุ่งกันตลอดชีวิต ยังคนบางคนเนี่ยเป็นโรคหมอต้องให้รับประทานยาประจำนม่ชีวิตตั้งชีวิตนี่มันต้องรับประทานยาในก็สาหัสเหมืนกันลรวขาดก็ไม่ก็ได้มาเกิดมีปัญหาขึ้นมานั้นแสดงว่าการเสียดแทงของโรคเพียงอย่างเดียวนี่รอก็สาหัสครับยังมีการเสียดแทงอย่างดีกเป็นนันมาก จากนั้นราโนนก็ได้แสดงถึง <c oughs> บุคคลผู้นั้นแหละแต่หมายตามมาจิตเขาผ่องแผวมากยิ่งขึ้นคือคำเนี่ยมันจะเหมือนกันคือใช้คำว่าเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานมั่นคงถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมน้อมโน้มจิตไปเพื่อนิรมิต ร, รูปอันเกิดแต่ใจ คือระมิดกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องคือข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณข้อที่สองนี้เรียกว่ามโนมยิทิหมายความาท่านอธิบายตามโครงสร้างของวิชาแปดประการ วิปัศนาญาณมโนโมยิทธิมีทิ์ทางใจที่สามารถแบ่งแบ่งใจเนี่ยกายที่สำเร็จตัยใจเนี่ยก็ปรากฏเหมือนกายเนื้อนี่แหละไปในสถานที่ต่างๆผลประเดนว่านี่คือจุดเด่นของพระราหันที่ทำให้ท่านทำงานได้เร็ว มีพ น, น, นันมากที่พระพุทธเจ้าเสด็จด้วยกายที่สับเร็จด้วยจิตมามความาไปด้วยรูปนิรมิตแต่เหมือนกับพระองค์เองทุกกระเบียดนิ้วแต่การกระทำอย่างนี้บางครั้งก็ปรากฏแก่คนทั้งหลายจึงรอนแสดงยมกปฏิหารก็ทรงแบ่งพระกายออกเป็นห้าองค์ อยู่บนกิ่งไม้คนละกิ่งอยู่ในเดียบทคนละเดียบทแต่ว่าพระอรหันต์บังรูปอย่างพระจิตตะอย่างพระจุลปันธุตานิรภิยกายทีเดียวเป็นพันอยู่กันเต็มวัดเลยพื่อต้องการประกาศสถานะของความเป็นประหานของท่านให้พระหมหาปันธกพิชาได้ทราบ แล้วก็แสดงให้เห็นว่าอรแบบมโนมยิทธินี่มันเป็นผลสำเร็จที่ต่อเนื่องมาก็อยู่ในส่วนของเรียกว่าปัญญาขันนั้นประเสริฐและท่านอุปมาทรงอุปมาก็าเรียกว่าเป็นอุเทเทแห่งมโนมยิทธิ หมาความเวลาทรงอธิบายนั้นอธิบายเหมือนกันบอกว่าเหมือนบุรุษชักไส้ออกจากป้องยาปรองเขาคิดเห็นอย่างนี้ว่านี่ยาปรองนี่ไสย้ยาปรองอย่างหนึง่งไส้อย่างหนึง่งแต่ก็ไส้ชักออกจากยาปรองนั่นเองอีกอานางหนึ่งเหมือนบุรุษชักดาบออกจากฝักเขก็รู้ว่านี่คือดาบ นี่คือฝักวักอย่างหนึ่งดาบอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าดาบมันก็ชักออกจากฝักนั่นเองหรือเหมือนกับบุรุษดึงงูออกจากกล่องก็แค่เห็นอย่างนี้ว่านี่งูนี่กรงงูอย่างหนึ่งกล่องอย่างหนึ่งแต่งูที่ดึงออกมาจากกลองนั้นท่านใดผลจิตใจของบุคคลเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้น ที่ภาษาตัวไปเขาเรียกว่ากายทิพย์มาความเราก็ออกไปจากกายแล้วก็ไปปรากฏในที่ต่างๆแล้วก็กลับคืนมาสู่ร่างกายและกายคงอยู่ในที่เดิมประบการณ์เหล่านี้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องระดับมนุษย์มิจฉิ แต่เป็นเรื่องของอนุภาพแห่งเทวดาวลนนี้ก็มีท่านผู้หนึ่งที่อาศัยนิมิตแบบนี้ไปพบเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วมาเขียนเล่าก็เคยอ่านเขาสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับการสร้างพระบรมธาตุที่นครสีธรรมราช อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องรู้สึกเกแถวเชียงใหม่บกงอนก็เห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์มาจากพวกลูกศิษย์บอกว่าเดืนี้เขาก็เขียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพระแม่จามเทวีซึ่งตามที่เล่านั้นเป็นการนำของเทพในสวรรค์ชั้นนั้นนั้น มารับกายทิพย์เขาไปกายเนื้อก็นอนอยู่ที่เตียงนั่นแหละแล้วมันก็ออกไปเขาเห็นกายันเขานอนอยู่แต่นั้นไม่ใช่ผลฮะไม่ใช่ผลของการปฏิบัติด้วยตัวเองแต่เป็นเทวานุภาพมันคล้ายๆกับเรื่องพระเนมิราชในโพธิสร์เรื่องชาดกพระเจ้าสิบชาตินะ ดัในในมิราชเนี่ยก็ถูกประวิศุณกรรมเทวสกะเทวราชใช้นำเวทยานราชรถของเทวสกะเทวราชเนี่ยมารับท่านไปเที่ยวในสวงสวรรค์ต่างๆดูวิถีชีวิตในสวงสวรรค์อันนั้นแน่นอนท่านก็ต้องมีบุญแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปแบบมนุมยิิ คือถ้าไปก็ไปแบบอิทิบิทธิธแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ฤทธิ์ของท่านหมายความเป็นฤทธิ์ของคนอื่นนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งอีกชั้นหนึ่งนต่อไปก็เรียกว่าเป็นมโนโมยุทิอิทิบิิธนะฮะอิทิิทธิท ธ, ทธแปล ว, ว่าแสดงฤทธิ์ได้อันนี้ทำด้วยกายเลยหมายความแสดงฤทธิ์ด้วยกาย เป็นการเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยบางทีก็เป็นกายกายเนื้อบางทีก็เป็นกายทิพย์ก็แล้วแต่อย่างที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระกับพรหมเนี่ยเป็นกายเนื้อพระหานทั้งหลายก็ขึ้นไปเยอะเลยเพื่อไปทรมานพระกาพรหมในบทพาขุ่งข้อที่แปดท่นก็บอกว่า สุนัขเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศ จ, จากอลปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานมั่นคงถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ด้วยกายนะก็เรียกว่าอิธีวิธีจะตั้งอย่างมาดมันยิทธิมนมุู้ไยิทธินั่นทำได้ใจแต่นี้ก็ทำได้กาย แต่ว่าใจนั่นแหละก็เป็นตัวแสดงเป็ใจนั่นแหละคือกายก็แสดงอะไรไม่ได้กายมันเป็นหุ่นทั้นนั่นเองแต่ว่าอาการปรากฏแกร่ร่างกายเนื้อจริงๆคือกายตัวตนของท่านจริงๆเช่นว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ถ้าลูกฝาคำแพงไปก็ได้เมื่อติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ดำเธอผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แยกเหมือนก็เดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งบันลังเหาะในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปครามพระจันทร์พระาชิดซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพอย่างนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าวันอันดีของอินเดียเช่นในเรื่องรามเกียรติเนี่ย พวกเหล่านี้ก็ทําได้นะฮะคือหมายความว่าข้อที่สองกับข้อที่สามนี่เขาทำได้พวกอนุมานพวกพาลีพวกสุครีพพวกอะไรต่วอะไรนี่เขาทำได้แต่นั้นมันเป็นแบบเทวดิ์หมายความพวกนั้นก็เป็นเทวดาอาวตาร ล, ลงมาเป็นความสําเร็จโดยกําเนิด คล า, ายการนกบินไปในอากาศได้ปลาอยู่ในน้ำได้เป็นต้นเนี่ยเป็นความสำเร็จโดยกาเนิดแต่ทีนี้การแสดงฤทธิ์ในลักษณะนี้เช่นว่าของที่มีอยู่เนี่ยทำให้หายไปพระเจ้าก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนศัตรูใหม่ๆครับตอนที่หลังจากโปรดยาศาเสร็จยาศไาด้บรรลุโสดาปฏิปน เศรษฐีผู้บิดาก็มาถึงตรงนั้นพอดีก็กราบถุนถามว่ามหาสมณะท่านเห็นยาศกุลระบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพู้จ้ารับสั่งว่าท่านเจ่างนั่งลงเถอะชะลอยจะพบยาศกุลระบุตรที่นี้ก็ได้ทางทางที่ตอนนั้นยาศาก็นั่งอยู่ใกล้ประพักนั่นแหละ เศรษฐีก็นั่งลงตรงนั้นซึ่งก็นั่งกลายยศนั่นแหละแต่ท่านไม่เห็นเป็นการทําสิ่งที่มีอยู่ไม่ให้มีจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมคือปรับความพร้อมที่จะเข้าใจเหตุผลเสียก่อนก็แสดงธรรมให้ท่านเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นก็ทรงบัรดาลให้สิ่งที่ปรากฏ มันปรากฏตามที่มันเป็นจริงสตติหันมาบอกอา้าวยะสะอยู่ตรงนี้เองแล้วก็เล่าเรื่องแม่เรื่องพัญยาร้อ ง, องห่มร้องไห้อยากจะให้ยะสะกลับไปพระยะสะท่านไม่พูดอะไรพอตอนนั้นท่านบรรลุมรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มองพระพุทธเจ้าพรเจ้ารับสั่ง ว่าก่อนเนี่ยยะสะบรรลุโสดาปฏิปบัติบทบัดนี้ยะสะเป็นพระหันแล้วท่านเห็นว่าคนควรอย่างยะสะนะควรจะออกไปครองเรือนอีกหรือเจตีท่านก็ดีใจนะฮะโสดาบันเนี่ยท่านก็ดีใจแหละมีลูกเป็นพระหรันใครก็ไม่ดีใจหรอกนี้ก็แสดงว่าทำสิ่งที่ปรากฏไม่ปรากฏ แต่สิ่งที่ไม่ปรากฏนั่นแหละก็ทำให้ปรากฏขึ้นมาได้ทีนี้การไปในนั่งอยู่บนอากาศนั่งอยู่บนอากาศหรือว่าเลื่อนลอยไปเบื้องหน้าผากาศอ น, นี้เยอะอยวิ่เจาทำบ่อยหลายครั้งแม้แต่เสด็จไปโปรดพระประยุระญาตตอนแสดงเวสันตด์ดชดกพวกพระญาติท่านย่ดจริงถือว่าตัวเองเป็นพระญาติผู้ใหญ่ จะไปแสดงถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็อย่างไรอยู่พระพุทธเจ้าก็ควรจะไหว้พวกตัวเองพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะทรมานพระญาติเหล่านั้นให้ได้สนักสํานึกสำเนียกก็ทรงเลื่อนลอยขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศแล้วก็คล้ายๆกับกรีละองผู้ลีจากพระบาทลงมาบนพระเสียนพระญาตเหล่านั้น แล้วก็เมื่อกำลาบพระญาติให้ลดมายะมานะลดพยศตรงไปแล้วก็ทรงกรรบเรื่องฝนบกกรณีตกแล้วก็ทรงแสดงเรื่องเวสันดอดจัดดุกการบัดในในเนี้ยใช้อิทธิฤทธิ์นะี่ยคือเราจะพบว่ามันมีคนเป็นอันมากที่กระำ้างบวดด้้ยถือดี ยังไปเคยเล่าเรื่องอุรุปยาการสปะที่พระเจ้าเสด็จไปทรมานเรยเจ็นว่าตอนนั้นทรงออแสดงอิทธิฤทธิ์เรียกปาฏิหารถึงถึงเจ็ดครั้งใหญ่ๆแต่ว่าแสดงก่สดินคราวละห้าร้อยเก็ถือว่าเป็นปาฏิหารสามพันห้าร้อยปาฏิหาร แสดงอยู่หลายวันนะนะหรือรมาความมาไม่ได้แสดงตลอดหรอกแสดงเป็นตอนเป็นตอนไปแต่ว่าประทับอยู่ที่นั่นหลายวันหรือแม้แต่การที่พระรูกเวลากัสสปะตอนไปทรมานพวกพระเจ้าพิมิสารกับปริวารพระเวลากัสสปะก็ลอยย้นไปป็นากาศแต่ว่าเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยุคอภิญญาเนี่ยมันรุ่งเรือง ปุ๋ยิญาณก็เหาะได้นะครับเพราะในการที่เห็นหรือสีเหาะนี่มันไม่เจ่แปลกอะไรแมาคนในสมัยนั้นทีนี้ถ้าเราสลับกันว่าเอาคนในสมัยนั้นมาเกิดในสมัยนี้เกีนเหนเล็กเห็กเหาะได้แกก็ตื่นเต้นนะแกก็ไม่เชื่อเราถ้าไปเล่าแกฟังแต่พอแกมาเห็นแกก็ตื่นเต้น ทีนี่เราเองถ้าย้อนไปเกิดเมื่อหกพันเมื่อสามพันกว่าปีแล้วเห็นคนเหาะไปในอากาศเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแหละแต่ทีนี้เนื่องจากเรามันมีประสบการณ์สะสมหมายความว่าการเล่นอะไรของคนโดยเฉพาะพวกฝรั่งเวียเนี่ยที่เขามีทำอะไรบินขึ้นไปมีปีกสองปีกก็บินขึ้นไปในอากาศอะไ ร, ะไรต่างๆเขาเล่นกันเยอะเลยเรื่องรอนเรื่องอะไรต่างๆ สมัยเาเราจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าในแง่ของความจริงการกระทาอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างช่างคนหนึ่งที่สร้างปราสาทให้ที่กรุงราชคฤห์แล้วพระราชาท่านก็กลัวว่าจะไปสร้างปราสาทให้พระราชาพระองค์อื่นทำให้พระองค์ไม่ดังก็เลยวางแผนจะฆ่า นช่าง ก, ก็รู้แล้วแล้วถ้าเขาคือขืนทาให้เสร็จนี่มันแก่แ ก, ก็เก็ตรไว้กันนั่นแหละพอแก่ทำให้เครื่องบินนี่เสร็จแบบเครื่องร่อนนี่แหละแบบนกบินพอถึงเวลาเสร็จตีกแกก็เอาครอบครัวเอาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆขึ้นบนเครื่องแล้วก็เหาะลอยหนีไปเลยเดี๋ยจะเห็นว่ามัน เรื่องเหล่านี้มนันสำเร็จด้วยวิทยาการต่างๆวิทยาการสมัยใหม่วิทยาการทางใจนี่เป็นวิทยาการทางใจแล้วกันต่อไปเราก็ไม่รู้อะไรมันจะวิจิตพิสดารขึ้นมามากกว่านี้อย่างทะลุฝาทะลุ ก, กำแพงเข้าไปนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรก็เรียกมายากลเนี่ยฮะ การเล่นมายากลต่างๆที่ชื่ออะไรเดวิดคอกฟินอะไรเนะี่ยที่เขาแสดงทะลุ ก, กำแพงเมืองจีนเราก็มองเห็นในแง่ของมายากลแต่ก็อัศจรรย์พวกนี้ไม่ใช่เนื้อหาหรอกแต่ความเป็นผลสำเมร็จผลสำเมร็จที่สืบเนื่อง ก็ทาให้ท่านใช้ไอ้ศักยภาพในส่วนนี้แก้ปัญหาบางอย่างของคนอื่นนะไม่ใช่แก้ปัญหาแก่ตัวท่านเองไม่ใช่เนื้อหาสาระแต่ว่ามันได้ประโยชน์เพราะยังไงมนุษย์เนี่ยมันมีความกลัวก็มีคนไปจำนวนมากที่ต้องกำหลับด้วยฤทธิ์หรือให้เขายอมจำนวนถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์อย่างนั้นมันก็กำหลับเขาไม่ได้ ทีนี้ท่านก็อุปมานะอุปมาว่ามันเหมือนช่างหมอ้อหรือลูกมือช่างหม้อที่ฉลาดเมือ่อดูดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆก็ทําภาชนะในลามิชนิดนันนาในสมเด็จก็หรือเหมือนกับช่างช่างงานที่แกะสลักงานหรือเหมือนกับช่างทองที่ทําทองก็ทรงอธิบายการทําทอง บอกว่าเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมือ่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปประพันธ์ชนิดใดๆก็ทำทองรูปพันธ์ชนิดอันนั้นให้สเมเร็จทีนี้ภิกษุก็เหมือนกันคือคำว่าภิกษุไม่ได้เ จ, จอะจงภิกษุอย่างเดียวนะใครก็ไม่รู้แหละตีปฏิบัติพัฒนาจิตมาถึงขั้นนี้มันก็ไปได้ด้วยกันบอกว่า เมื่อจิต ต, ตั้งมัน่นบริสุทธิ์ปุดพองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมัน่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อแสดงฤทธิ์เธอก็แสดงฤทธิ์ได้ดังกล่าวแล้วทีนี้จากจุดตรงนั้นเองแต่ จ, จุดเหมือนเดิมสภาพจิตเนี่ยมันประนีตขึ้นกว่าเดิม มันก็ไว้เกิดสิ่งอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือทิปโสหูชิปอย่างที่เคยพูดไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ส, สุนคตะสุนคตะลิชวีที่ไปพูดกับเอกสาร์ารมาลีว่าพระพุทธเจ้าปกปิดไม่ยอมสอนเรื่องทีิปโสทให้ไม่ยอมสอนบริกรรมเพื่อทิปโสทให้ ขนให้เฉพาะบริกรรมเพื่อทีิปจักสูบหมายความว่าท่านเรียนตาชิดได้ได้พิญญาระดับตาชิดได้แต่ว่าระดับหูชิดนี่ไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตของท่านที่เคยเคยบวชเป็นภิกษุเหมือนกันแล้วก็ไปตบบ้องหูเพื่อนโดนหูหนวกไปก็ทำให้บาปกรรมเหล่านั้นเป็น มาปิดกัน้นไม่ให้ท่านมีโอกาสที่จะสําเร็จทิปสูตรผลการได้ทิปสูตสภาพจิตมันก็อย่างเดียวกันภิกษุนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อทิประจักษทิปสูรโรหรือหูทิปแล้วก็บริกรรมเพื่อหุูทิปหูทิปก็เกิดขึ้นสามารถเห็น ในสิ่งที่ตนต้องการเห็นทีนี้การเห็นไกลเนี่ยเห็นแบบทิศอย่างเนี้ยมันลําบากอย่างในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราก็มีกล้องส่องอะไรตอนนีอะไรกันพวกนี้คนทั่วไปพกพาไม่ได้แต่มันใช้ในงานจารกรรมได้เราก็มีปัญหาอะไรเยอะ พัฒนาการจิตเหล่านี้จึงมาจิตต้องมีอย่างลักษณะดังกล่าวคือหมายความว่าสงบจากกิเลสมันไม่มีอาการของกิเลสเผราอความคิดที่จะฟังเนี่ยจึงไม่ได้ฟังด้วยกิเลสแต่ฟังด้วยกุศลและเจตนาโดยการบุ่งสงครอนุครอเนี่ยเป็นประการสาคัญและนั้นเมื่อท่านได้ที่เะสโสูตรที่เบญสู ฉันก็ใช้จิตไปเพื่อสงเคราะห์โลกเจตได้ยินได้วางสัตว์เขาพูดกันได้ยินเสียงทิพย์ได้ยินเสียงมนุษย์ที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่างๆแต่หมายความว่าพวกนี้มันก็ทำนองคล้ายๆกับวิทยุนั่นแหละคือเราต้องเปิดแล้วก็จูนเครื่องเราต้องมีวิทยุเราต้องเปิด แล้วก็จูนคลื่นให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการรู้จึงสามารถรู้ได้ไม่ใช่ว่าหูทิพย์อยู่ตลอดอย่างนี้ก็ตายเลยหูหนวกไปเลยพวกนี้เป็นเป็นคุณสมบัติที่ต้องการใช้ก็ใช้ได้แต่ไม่ต้องการใช้เมื่อไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้นี่ก็เป็นเป็นผลอย่างหนึ่ง ตงลงว่าทลายละสีอย่างมีปัญนายาณมนโนมยิทธิอิทธิวิธิทิพสูตรท่านก็ได้ยินเสียงทั้งหลายทั้งที่เป็นทิพทั้งที่เป็นเสียงทิพทั้งที่เป็นเสียงของมนุษย์ด้วยทิพสูตรอันบริสุทธิ์เกิ น, นหูอนของมนุษย์ไปได้นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งทิพสูตรข้อที่สี่นะฮะต่อไปก็ จิตนี่มันจะเป็นนิดขึ้นและนี้ขึ้นกว่าเดิมจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้เพื่อเจโตปรยิยานการรู้ใจนะรู้ความคิดหมายความาคนคนนี้เขาคิดยังไงมีอุปนิสัยมีภูมิหลังอย่างไรวาสนาบารมีเป็นอย่างไรเคยสะสมบารมีอะไรเอาไว้เราจะสอนเขายัางไงจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจ เวลาปฏิหารเราเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารู้ะระดับความคิดของฉ ข, ของผู้ฟังคือพู้ที่เกี่ยวข้องอนะ่ะหมายความว่ามองปราดเดียว่าทะลุไปเบื้องภูมิหลังของคนเหล่านั้นได้หมดเลยเพราทําไมคนสมัยนั้นขวัญเทศและรู้เร็วเพราะว่าพระพุทธเจ้าดูความพร้อมในแต่ละจุดของคนเหล่านั้นเสียก่อน แล like ้วก็แสดงไปตามพื้นฐานที่เขามีอยู่หมายความความรู้ในเรื่องเหล่านั้นเขามีอยู่แต่สะสมไว้ในอดีตการนานไกลมากมันก็ไปกระตุกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาท้าก็รู้เร็วท่านเรียนเร็วท่านเข้าใจได้เร็วเวลานี้ยเราจะเห็นว่าอย่างพระหนุ่มๆที่มีชื่อเสียงในการเทศในการสอน ในการสอนระดับกรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็หนุ่มๆนะครับอย่างพวกครูบาทางภาคเหนือนี่ก็ค่อนข้างหนุ่มนมอายุไม่เท่าไร่หรอกแล้เวเก่งๆดังๆแล้วก็ไม่ขาดภาคเหนือนี่แปลกไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอุปท า, านเป็นอุปท า, านหมู่ที่รับรู้กันมาบรโบราณ นักบุญคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรแต่ อ, อะไรต่างๆที่เริ่มดังมากก็หลวงอะไรหลับกุบาสีวิชัยเลยนี่คนประเภทนี้ก็มีอยู่ตลอดนั้นก็หมายความว่าเขาก็มีบุญที่สะสมบรุมมาไว้คือเรื่องบางเรื่องนี่มันเราก็หาคำตอบไม่ได้เพราะเราไม่มียานอย่างรู้ขนาดนั้น ศูนย์ส่งเสริมประพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ลาดลุมแก้วนะฮะตอนนี้ก็กบงังพัฒนาไปได้ทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการหาเงินคณะกรรมการไม่เก่งสักคนในเรื่องหางเงินแต่ก็อยากจะทำงานมันเกิดช่วงหนึ่งที่มีโคทั้งโคทั้งควายเข้ามา ตอนนี้ก็รู้สึกจะสิบกว่าตัวแล้วแล้วก็มีอะไรก็เรียกลูกหลอกอะไรเก็เชื่อกันนะนะก็เชื่อกันในสมัยนั้นแล้วก็มีโคตัวหนึ่งที่มันแปลกคือมันจะกินหญ้าอยู่ตัวไหนไม่รู้เสร็จแล้วมันจะมานอนอยู่ที่ศูนย์กลางตรงนั้นก็แม<อ>่จ<อ>ีตันหนึ่งก็ค่อนข้าง เด็นดังอยู่ในเรื่องตรงนี้ยม่ใช่เขาบอกว่าโกตัวนี้เมื่อก่อนเขาเป็นคนมอดเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็ขายให้คนแขกคนอิสลามแล้วคนแขกก็ขายคนไทยนะแล้วคนไทยก็ถวายแต่วัดเนคขมารามก็กลายเป็นวัด ถาย ว, วัดบนาสิริแล้วกถวถว็ถวายให้แก่หมามกุฎเพื่อนมอนเหล่านี้เขาระลึกชาติได้ก็เป็นควายเพื่อนโคจริงแต่ว่าเขาระลึกชาติได้เขาก็ติดชี้ของเขาแต่บัญชีก็มาสั่งเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าอย่าให้เขานอนตรงนั้นเพราะว่าเทวดาปรารถนาจะมาสร้างอาคารสถานที่ตรงนั้นแันนั้นก็เป็นความเชื่อของเขา เราไม่ติดใจอะไรคือไม่เคยถามไม่เคยสนใจอะไรแต่ว่าเออมันก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าจะอะไรก็ตามสมหรับคนทั่วไปถ้าเป็นเหตุแต้คนทำบุญได้นะฮะลชั่วประพฤติ ด, ดีได้ก็ทำไปเถอะอย่าไปขีดเส้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้อนอย่างเดียวความแตกต่างของมนุษย์นี่เป็นเรื่องนิรันดร์ทุกเรื่องทุกราวมาแลก็มีความแตกต่าง ปจิตโตปริยานเนี่ยเป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไปได้จะดูวราจิตคนนี้ราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงโมหะเป็นยังไงวิหิงสาเป็นยังไงะอะไรต่างๆจะรู้ความหนาบางของกิเลสจะรู้ความสูงต่ำของธรรมะคือปริมาณของบารมีกับปริมาณของอาสวะ แล้วอะไรเด่นล่ะธรรมะข้อไหนมันเด่นทีรรน่เขาสะสมอบรมบารมีมาไว้เนี่ยก็จะสอนธรรมะข้อ น, นั้นนะเพราะอันพวกนี้ที่จริงก็แนวถ้าท่านเคยอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่ว่าโดยจิตาาจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานั้นดูจิตเรานะฮะดูจิตานุปัสสนาดูจิตเราแต่วันนี้มาดูจิตคนอื่น เพื่อจะนำธรรมะไปวางให้มันตรงกับพื้นฐานทางจิตของบุคคลเ่าเนี่ยจึงตรงนี้ราคามันอ่อนอย่างพระยาศสกุลบุตรนี่เราเห็นว่าราคาท่านอ่อนขนาดมองสาวเป็นศพได้เนี่ยไม่จะธรรมดานะฮะคนเนี่ยอยู่ในปราศาสพร้อมสาวสารกำนันนายนมากมายกายของวันดีคืนดีมองสาวเป็นศพเลย แล้ววงนี้นี่ไม่อยู่วัดเราไม่อยู่บ้านหรกเบือพระพุทธเจ้าเห็นนะมจักก็มองสาวเป็นศกแสดงวราคะาจางคลายไปเยอะราคะาไม่ได้ย้อนกลับมาเพราะว่าเป็นการเบือนหน่ายอย่างแรงเห็นความราร้อนของเพลิงกิเลสอย่างแรง เดีาราคาอย่างที่บอกว่าคนที่ราขาเนี่ยคือพระนัคามีผลตลอดเส้นทางเนี่ยแม้แต่ก่อนยะ ส, สรู้ที่ส่งอุปมาโดยท่อนไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการดูที่ราคาเป็นหลักทีนี้คนที่เป็นเป็นเป็นเป็นอย่างเนี้ยท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับหญิงสาวชายหนุ่มในชอบแต่งตัว เมื่อสองดูหน้าของตนในกระจกก็จะรู้ว่าอะไรบกพร่องหรือไม่บกพร่องตรงไหนมีจุดด่างดําจุดไหนเป็นยังไงเคยก็ตกแต่งเงี้นฮะก็เธอเธอก็ตกแต่งไปอย่างนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะไม่ต้องแต่งเองแล้วคนอื่นจะดูให้จ่าสะตางกันเยอะแต่เราก็ไม่ค่อยดูจิตเรา จิตมาเรมีราคาก็รู้จิตมีราคาจิตมีโทสะก็รู้วจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้วจิตไม่มีโทสะจิตมีมีโมหะก็รู้วจิตไม่มีโมหะก็ว่าเรื่อยไปก็แล้วแต่หมายความว่าจิตปรากฏในแต่ละขณะเป็นอย่างไรก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันต่อจิตในขณะนั้นๆ ขณะใดควรจะประคองจิตขณะใดควรจะห้ามจิตขณะใ ด, ค ว, ะะดควรจะกั้นจิตขณะใดควรจะกั้นจิตขณะใดควรจะปลอบจิตขณะใดควรจะปลุกปลอบปลุกจิตให้อาถานรื่นเริงบันทึงขึ้นมาทีนี้เหมือนชายนุมหญิงสาวที่ส่องดูตัวเองในกระจกมันก็ปรับปรุงตัวเองได้คนเราก็เหมือนกันจะดูจิตคนอื่นหรือว่าดูดูดูจิตตัวเองก็ตาม แต่ว่าท่านเหล่านี้ผ่านการดูจิตตัวเองมาแล้วนะฮะแก้ปัญหาที่จิตตัวเองมาแล้วโอกาสต่อไปก็คือแก้ปัญหาที่จิตคนอื่นท่านก็เห็นชัดเจนว่าคนนี้ควรจะปรับปรุงตอนไหนยิ่งเขเป็นอย่างนี้ควรจะปรับปรุงตอนไหนแล้วก็ยักย้ายไปทำอภิศนาไปก็เป็นอะไรห้าข้อ ห้าข้อก็ต่อไปก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้บุคคลนิวาสานตยานคือต้องการถามคำถามเรื่องชาติปางก่อนของตัวเองแล้วก็จิตเกิดยานผุดขึ้นภายในจิต รู้ความเป็นมาของตนในอดีตไม่รู้เท่าไรก็นับกันไม่วาดไม่ไหวก็เรียกว่าตลอดอะไรสังวัตกับเป็นอันมากกับในระบไมรู้จะนับยังไงแล้วนะสังวัตกับยิ่งยงไม่ไหวเลยก็ไม่รู้นับยังไงเขารู้รายละเอียดหมดรู้เหมือนกับรายละเอียดในชาติปัจจุบัน แค่โดยบับางทีเราก็ลืมไปเยอะน ะ, ะตอนเช้ากินข้าวกับอะไรยังลืมแล้วแต่ว่าระลึกได้ด้วยยานเนี่ยมันรู้รายละเอียดมาความมาท่านเหล่านี้แต่ก็อีกแหละคือท่านไม่มีโลบอะ่ะท่านไม่โลบท่านก็ไม่มาแตกต้องสื่อขายหรอกทีนี้ถ้าหากว่าท่านเกิดมียาระดับนี้ขึ้นมา แล้วก็แต่งหนังสือขายแต่ตัวละครเป็นตัวๆนะฮคือวันก่อนได้อ่านหนังสือเรื่องสามก๊กฉบับบริหารคุณกศักดิ์ก็ถวายมาก็เขียนเออวิธีเข้าทีหมายความมาดึงตัวละครมาทีละตัวแล้ววิเคราะห์เป็นตัวๆไปที่จุดเด่นจุ ด, ดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนของบุคคลเหล่านั้น ใกล้ๆกับที่คุณชายเคยรีดเขียนเรื่องสาม ก, ก๊กเหมือนกันฮะ ก, ก็ดึงตัวละครมาทีละตัวแต่มุมมองบางเรื่องก็ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่าคุณกศักดิก์ได้เขาเก่งภาษาจีนฮะเขาก็อ่านได้รอบรู้แตกฉานลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นการมองพฤติกรรมของตัวละครบางทีก็แตกต่างกัน แต่ก็สรุปว่าท่านเหล่านี้ถ้าท่านจะเล่าอัตอชีวประวัติของท่านในชาติอดีตเขียนทั้งชาติก็ไม่หมดอ่ะเรื่องเยอะโดยตีต่างว่าเวดีก็มีอะไรล่ะมีดีวีดีมีซีดีพูดใส DVD, ่เทปใส่ดีวีดีใส่ีดีอาจจำน่ายเป็น หนังสือเสียงเผยแพร่ที่เล่าระไรเยอะเพราะว่ามันเป็นสัมผัสตรงแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลในแต่ละเรื่องนี้ได้อย่างที่พระเจ้าเล่าเนี่ยมันเล่าประกอบเทศประกอบสอนธรรมะคือดึงเฉพาะประเด็นที่มันผูกพันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มาชี้แจงประเด็นเหล่านั้น ถ้าจะเรียบเรียงเป็นหนังสือเรื่องการรากยชาติก่อนได้เนี่ยนะโอ้ยาวเลยแต่ละชาติเนี่จะยาวมากชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะชีวิตคนทั้งชีวิตถ้าเอามาเขียนแบบไดอารี่เดบัตทึกไว้เป็นวันๆโอ้มันจะเยอะมากๆ ก, ก็เรียกว่าพิมพ์เป็นพันๆหน้าแหละแต่มันก็คือชีวิตอะ ชีวิตก็อยู่ด้วยกามตะกินด้วยนอนท้วยกลัวปัญญการลึกชาตินี้มันช่วยช่วยให้ท่านเห็นเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงในสังสารวัฏเปลญานยานที่อย่างเหลือพวกนี้เป็นวิชาแปดนะคือท่านแสดงในแนววิชาแปด หรือบางทีก็แสดงแค่สามคือจากข้อนี้ไปจากบุเพนิวัสศาสตรสารญ า, านจุตูว ป, ปาตยานอสวรกายานเอาแค่สามข้อนะฮรคนเราถ้าจับยานแค่สองข้อแรกเนี่ยนะฮะแคแค่นี้แกบุเพนิวัาสาสตร์ยานก็ยุตูว ป, ปาตยานไม่ได้เราไม่เสียเวลามาถกเฉียงนะพี่ปลายขี้โม้กันในเรื่องเหล่านี้เรา เก่งกันจริง่งอย่างนึกว่าไอ้คนไทยเนี่ยมันเก่งจริงๆ ร, ร, รู้หมดเลยรู้หมดทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพูดได้จากนั้นแต่เราลืมไปว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความเห็นเฉยๆเป็นความเห็นส่วนปะเจกชนเฉยๆมันไม่ใช่ความรู้ระดับยานผู้ได้ไปผิดเยอะ ผิดจากอะไรผิดจากมาตรฐานระดับญาณประการรู้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันก็ได้อะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็นสัญญาความจำแบบนกแกว้วนกคุนทองกันไปแต่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านแสดงด้วยพยานไม่ใช่แสดงด้วยความเห็นส่วนตัวใช้อัตตาวิสัยตัดสินใจเอารูยส่วนตัว แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองทั้งอัตวิสัยและภาวาวิสัยคือหมายความว่าชันเรื่องพระเวสันรก็คือเรื่องพระเวสสัดรน่ะเรื่องพระเวสสันดรเป็นยังไงอ่ะก็รับสั่งเล่าเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราฟังเทศมาชาติกันอยู่นี่คือจุดที่เราไม่ได้ทบทวนตัวเองไม่ได้เื้อความสาคัญก็บตัวเองมากเกินไป คนเราไม่มีใครเก่งไว้ทุกเรื่องด้วยนะจะรอบรู้ทุกเรื่องได้อย่างไรแม้แต่เรื่องผู้จำนานเฉพาะทางยังนึกว่าต่อไปนี่มันต้องคิดใหม่แล้วนะเพ ร, ราระอะไรวิทยาการก้าวหน้านี่มันเยอะเลย ทั้งนายก็ดีตำรวจก็ดีอายการก็ดีศาลก็ดีเนี่ยมีหน้าชี้ในการที่ผิดที่ถูกคนอื่นนี่นะมันต้องรอบรู้หลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นๆถ้าเป็นอางน น, นี่ปัญหาเรื่องความยุติธรรมเนี่จะแก้ไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเพราะเราไม่รู้ท่าน น, น่ะเด็กจากคำมาไม่รู้คําเดียวนี่นําปัญหามาสู่ได้มากมายกายกอง เพราะนั่นคือโมหาคติโมหา ก, ต, หากติก็จบจบสิ้นเลยเลิกพูดเลยนั้นความรู้กับความเห็นเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันหมายความตาเห็นก็ต้องเห็นด้วยญาณรู้ก็รู้ด้วยญาณมันไม่ใช่รู้เห็นเพียงธรรมดาธรรมดาแล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกกันเพลินเพลินสนุกสนานกันไป ซึ่งจะต้องอาศัยสนักในเรื่องโดดนี้ให้มากทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจะมาไม่แต่ไรศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี